พูดตามมารยาทโกหกไหมถามการพูดตามมารยาทที่ต้องโกหกเช่นต้องการรักษาน้ำใจเขาชวนมาใจเราไม่เอาด้วยแน่ๆ แ, แต่ก็บอกว่าไว้คราวหน้าเถอะหรือเขาถามว่าชุดใหม่สวยไหมถามอย่างภูมิใจทีเดียวเราเห็นแล้วนึกร้องยี้ตั้งแต่เข้าประตูมาแล้ว แต่กลัวเข้าเสียใจเลยต้องอ้อมแอมตอบยิ้มยิ้มว่าเข้าทีเนี่ยอย่างนี้ถือเป็นการผิดศีลข้อมุสาวาทหรือเปล่าตอบคำสำคัญในคำถามของคุณคือต้องการรักษาน้ำใจอ น, นันส่องถึงเจตนาไม่ให้เข้าเสียใจไม่ใช่ว่าจงใจพูดคำเท็จทั้งรู้อยู่ว่าไม่จริง ผมจะยกตัวอย่างเพื่อให้เปรียบเทียบง่ายขึ้นสมมุติคุณรู้ดีว่าเจ้านายชอบให้ชมชุดใหม่คุณกำหนดไว้ในใจเลยเมื่อไรเห็นชุดใหม่เมื่อนั้นรีบชมทันทีโดยไม่ต้องสนใจว่าของจะสวยหรือไม่สวยด้วยความหวังว่าเจ้านายจะได้โปรดขออะไรจะได้ให้อันนี้เท่ากับคุณติดตั้งตัวโกหกถาวรไว้ในปากเรียบร้อยคุณพร้อมที่จะพูดไม่จริง เพื่อผลประโยชน์ของตนเองไม่ใช่พูดเพื่อรักษาประโยชน์ของคนอื่นเรื่องการพูดตามมารยาทหรือพูดเพื่อรักษาน้ำใจนั้นคุณไม่จำเป็นต้องพูดเท็จก็ได้ครับเช่นแทนที่จะบอกว่าไว้คราวหน้าก็อาจลดระดับการให้ความหวังลงมาเป็นเอาไว้ให้พร้อมก่อนนะหรือแทนที่จะอ้อมแอมว่าสวยดีหรือเข้าทีนี่ ก็เปลี่ยนเป็นการเล็งรายละเอียดจุดใดจุดหนึ่งที่คุณเห็นว่าดีจริงๆและชมแบบเจาะจงเช่นโหสีตัดกันเตะตาขนาดเนี้ยไม่ค่อยเห็นที่ไหนเลยนะการชมที่ไม่เกินจริงมีความจริงอยู่ในคําจะทำให้คุณสร้างคําพูดตามอารยาาหรือรักษาน้ำใจได้มากมายโดยที่ปากกับใจยังตรงกันอยู่คุณจะสบายใจว่า ว่าจะไม่เป็นเหตุให้จิตบิดเบี้ยวเห็นความจริงผิดเพี้ยนไปแม้แต่นิดเดียวครับ